จะไปทำงานแล้วแกะก่อนวัดแต่สุดน้องแกะลูกก่อนน้องแกะลูกก่นอนวันนี้พวกคุณบอกรักใครบ้างหรือยัางยังถ้ายังไม่บอกเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรหาคนที่เราอยากบอกรักดีกว่าใช่งั้นก็โทรหาเขาสิขอฝากความรักมาทางอ๋อก หลายปีใจดวงนี้ก็ยังไม่มีใครอยู่นานไปใจวันไวเริ่มจะกลัวตั้งแต่วันแรกเจอใจอเจอ๋ยก็เริ่มรู้ตัวว่าเป็นเธอแน่ชัวร์คือเนื้อผู้เธอยิ้มมาเธอส่งตามันกะว่ามีใจอยากจะสื่ออะไรใหได้รู้อยากเข้าไปหาเธอใจอเจอ๋ยก็ยังไม่สู้อยากจะลองถามดูก็ไม่กล้า สิ่งใจเดินเข้าไปห่อลายทันทีหากมีเฟซไทจีก็ให้มาขอบคุณเธอตัวเอ็นะเจอกันคืนนี้สื่อความรักมาทางออนไลน์ฝากหัวใจเก็บเอาไว้ให้คนดีส่งทางเฟซทางไลายท์ทางไอจีฝากหัวใจพร้อมพี่เก็บเอาไว้อยากให้รู้ว่าฉันรักเธอ じゃあまいぶらてんたべちょくらいちんするらくまたんろほらひゅわいぶらっしゃいらっしゃいのあいだいまいか。 หลายปี ใ, น ใ, นใจดวงนี้ก็ยังไม่มีใครอยู่นานไปใจด่วนไวเริ่มจะกลัวตั้งแต่ ว, วันแรกเจอใจเอ่ยก็เริ่มรู้ตัวว่าเป็นเธอแน่ชัวร์คือเนื้อคู่เธอยิ้มมาเธอส่งตามันกะว่ามีใจอยากจะซื้ออะไรได้รู้อยากเข้าไปหาเธอใจเอ่ยก็ยังไม่สู้อยากจะลองถามดูก็ไม่กล้า よく見るときに、私はあなたの声をいて、私の声を聞いて、私はあたのて、私はあなたの声を聞いて、はいて、私はあなたの声を聞いて、私はあなたいて、私はあなたの声を聞いて、私はあなたの声をいはいて、私はあなたたの声を聞たの声をたの声を聞いて、はあなたの声を聞いて、私いいはい ファンはサンダ จะไม่เพลิ่มทิ้งเธอไปชอบใครจึงสื่อรักมาทางโลกออนล่าช่วยเปิดใจรับฉันไว้ได้มั้ยเธอช่วยเปิดใจรับฉันไว้สักคน すぐにラッマータンオーライ。フライー。ファンもついてもいい。ファンもついてもいい。ファンもついてもいい。ファンもついてもいい。ファンもついててももついてもいてもい ไว้เปลือใจรับฉันไว้ได้ไหม